เราฟังมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะค่ะเนื่องจากว่าข้อมูลอาจจะเป็นวงกว้างในแง่ของผู้ตั้งคําถามส่วนพระอาจารย์ก็พยายามตีให้แคบในแง่ของมุมที่พระอาจารย์จะนําเสนอดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติมามีคําถามอะไรเชิญถามเป็นใช้ไม้ถามเองเลยคะ่ะก็ขอขอให้พระอาจารย์นํานาจนะคะรบกวนแนะนํา การเจริญเจตนาทานเจตนาศีล น, นะคะที่ท่านอาจารย์เนี่ยได้ได้เคยประพฤติปฏิบัตินะคะ<น>เพื่อว่าพวกเราเป็นนักศึกษาเนี่ยจะได้มีแนวทางในการที่จะไขครวนธรามนะคะก็ขอให้ท่านช่วยแนะนำตัวตัวของท่านนะนะคะที่ท่านท่านกระทาอยู่นะคะเจริญทานยังไงเจริญศีลยังไงนะค ะ, ะเจริญพรยั่นโยมมัวกาจะหลับแล้ว แตมาจะหลับเอาอย่างนี้ก่อนโยมโยมเป็นนักนักศึกษาหรือนักปฏิบัติกันแน่ถ้าเป็นนักศึกษาเนาะนักศึกษาต้องมารู้ก่อนว่าการศึกษาเนี่ยเขาหมายถึงอะไรกันแน่การศึกษาเขาหมายถึงปริยัดกับปฏิบัติ ปริยัติคือการเข้าไปศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเอาเข้ามาไว้ในใจปฏิบัติคือนำออกไปถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะแยกกันไหมว่าเวลาเราเป็นคนปกติหรือเป็นคนปฏิบัติจะไม่ถูกแยกแล้วยัง การศึกษานำเข้ามาปฏิบัตินำออกไปศึกษานำเข้ามาปฏิบัตินำออกไปจะไม่แยกแล้วนะว่าคนนี้ปฏิบัติคนนี้ไม่ปฏิบัติมันขับเน้นที่เจตนาในการนำออกไปใช้เจตนานํนำออกไปใช้ดังนั้นรู้ข้อมูลอะไรที่ได้ศึกษาแล้วเรียนมานำมาใช้ ออกมาถ้าเกิดเป็นเรื่องทานทางคารวะญาติโยมเนี่ยพระพุทธเจ้าแนะนำให้ปฏิบัติเรื่องทานศีลภาวนาให้ศึกษาเรื่องทานศีลภาวนาก็คือเรียนปริยัตในเรื่องทานศีลภาวนาและปฏิบัติทานศีลภาวนาจะขับเน้นเรื่องทางกายมากกว่า กายกวาจามากกว่าก็คือเรื่องทานกับเรื่องศีลเนี่ยเป็นเรื่องของกายกวาจาดังนั้นเรียนรู้เข้ามาไว้ในใจนำออกไปใช้เรียนรู้เข้ามาไว้ในใจนำออกไปใช้าาใใออใชแค่นี้เองดังนั้นสถานที่เป็นสิ่งจำเป็นไหมก็บอกว่าจำเป็นแต่ไม่ใช่สถานที่ เท่านั้นที่จะปฏิบัติเมื่อเราเข้ามาไว้ในใจแล้วเข้าตอนไหนก็ออกตอนนั้นเข้าตอนไหนออกตอนนั้นนดังนั้นสัญญาที่เราเคยจดจำไว้ข้อมูลต่างๆที่เราเคยจดจำไว้นั่นแหละตั้งแต่เรียนมากี่ปีก็ตามก็เอามาใช้แล้วก็เอาออกไปปฏิบัติหรือในขณะปัจจุบันนี้นั่งฟังอยู่นี่แหละ นั่งฟังอยู่นี่แหละข้อมูลที่ได้นี้ถูกจดจำมาแล้วในอดีตและเคยฟังในปัจจุบันนี้นะแล้วแต่จะใช้ถ้าเรามีข้อมูลในอดีตว่าการเจริญพุทธคุณมีอยู่ในใจเราก็ใช้ในปัจจุบันนี้ในการฟังการฟังก็เป็นบุญญาบุญกิริยาวัตถุเนาะ การฟังเป็นบุญกิริยาวัตถุดังนั้นบุญเกิดขึ้นแล้วบุญเกิดขึ้นแล้วน้อมบุญนั้นบูชาพระเจ้าเป็นการปฏิบัติแล้วนะโยมนะเรียกว่าเป็นการศึกษาและปฏิบัติเลยนะดังนั้นเราจะมีอีกหมว่านักปฏิบัติมือใหม่มือเก่าเนี่ยมันจะไม่มีคำพูดนี้แล้วเนาะก็คือเอามาใช้เลยเอามาใช้เลย ลูกๆมาขอเงินแล้วก็ไหว้แม่ชื่อว่าเป็นการเจริญศีลแล้วนะลูกเป็นนักปฏิบัติมือใหม่ไหมหรือมือเก่าแม่ให้เงินลูกเป็นทานแล้วนะเป็นทานกุศลเกิดขึ้นแล้วแม่เป็นนักปฏิบัติมือเก่าหรือมือใหม่ โยมฮลัลโหลยังอยู่ไหมเนี่ยตกลงอะไรกันแน่คือการปฏิบตัติมาอยู่ในห้องกรรมฐานหรืออยู่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานหรืออยู่ที่ไหนการปฏิบัติเนี่ยเอาออกมาใช้ ความรู้มีอยู่แล้วเนาะการให้ทานเกี่ยวข้องกับทิศหกเลยเวลาไหนบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องนอะโยมเกี่ยวข้องหมดแล้วเกี่ยวข้องกับผู้คนหรือสัตว์เราต้องใช้ศีล น, นำหน้าอยู่แล้วไม่ว่าจารีศีลหรือว่ารีศีลเราต้องใช้จําเป็นเกี่ยวข้องกับใครต้องใคาดควรไว้ก่อนเลยดักไว้ก่อนเลย ไม่งานความกำหนัดเกิดขึ้นแน่ไม่งานความขัขดเครืองเกิดขึ้นแน่ไม่งานความรุ่มหลงเกิดขึ้นแน่นอนดังนั้นที่อาตมาประพฤติปฏิบัติไม่อยากเรียกว่าประพฤติปฏิบัติเรียกว่าการใช้ชีวิตเป็นปกติใน่แหละแต่ใช้คำสอนของผู้เจ้ามาดำเนินชีวิตของเราโดยให้คิดเองน้อยที่สุด คิดเอาความคิดของตัวเองน้อยที่สุดหรือไม่ไม่ให้ความคิดของตัวเองเกิดขึ้นเลยแต่เอาความคิดของผู้เจ้ามาดำเนินอย่างเงี้ยเอาคำสอนของผู้เจ้ามาดำเนินที่ญาติโยมได้ฟังนั่นแหละเรื่องทานเรื่องบุญกิริยาวัตถุเรื่องศีลเรื่องจารีศีลวารีศีล น, นั่นแหละทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ได้สอนไว้ซึ่งโยมมีอยู่แล้ว ซึ่งโยมมีอยู่แล้วดังนั้นเพียงแต่เราดําเนินชีวิตไปตามที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้แค่นั้นเองอย่างเช่นตื่นเช้าขึ้นมาเอาน้ําใส่แก้วหรือใส่ขวดหรือใส่ภาชนะอะไรวางไว้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าการให้ในครั้งนั้นก็เป็นทานเป็นการบูชาเพราะมันมีสองในการให้อะ มีการอนุเคระห์อย่างหนึง่งการบูชาอย่างหนึง่งเรียกว่าทานขับเน้นที่เจตนาให้มากปรุงแต่งให้มากนะไม่ใช่ว่าไอตัววัตถุนั้นเป็นตัวให้ผลจะรวบรวมทรัพย์สมบัติมากมายทั่วจักรวาลนี้มาบูชาพระเจ้าการให้ในครั้งนั้นก็ไม่ได้ให้ผลวัตถุไม่ได้เป็นตัวให้ผล แต่เจตนาตั้งหาบนะนางกีสาตะกีเนี่ยได้นำดอกบวบผมสามดอกหรือสี่ดอกเนี่ยเดินทางไปบูชาพระเจดีซึ่งพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วนะแต่นางถือดอกแล้วก็มีการคิดมีการไข้ควรมีการศรัทธาในพระพุทธเจ้าตลอดเวลาที่เดินไปตั้งแต่เก็บดอกไม้มา เก็บข้างทางด้วยนะยูเนื้อซึ่งดอกบวบขมเนี่ยไม่มีใครต้องการแล้วไม่มีใครเขาสนใจแล้วแต่นางเห็นประโยชน์นางมีข้อมูลนางมีการศึกษาก็ได้นำดอกบวบขมนั้นไปบูชาพระเจดีเหลืออีกไกลมากเลยแต่ยังไปไม่ถึงถูกวัวขิดตายซะก่อนแม่วัวนางตาย ในขนาดนั้นก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับเป็นทองหมดนะไม่ว่าจะเป็นที่นั่งที่นอนไม่ว่าจะเป็นผ้าไม่ว่าจะเป็นวิมานเป็นทองหมดเลยดูสิต้องใช้วัตถุมากเหมือนพวกเราไหมไม่ต้องเลยแต่เจตนาที่เกิดขึ้นมันมากดังนั้น นางได้นําเอามาใช้แล้วนะได้เอาปริยัตมาใช้แล้วแล้วนํามาปฏิบัติแล้วก็ออกไปนะทางกายทางวาจานี่แหละนักปฏิบัติซึ่งเราเป็นอยู่แล้วในชีวิตประจําวันเป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วตลอดเวลานะเกี่ยวกับเรื่องทานได้ทั้งหมดนะ ไม่ว่าจะเป็นการให้ใครก็ตามแม้แต่การถูกยืมเงินลองคิดให้ถูกว่ามันเป็นทานเส่วนใหญ่ห่วงไว้ก่อนแล้วตั้งท่าห่วงไว้ก่อนแล้วหรือให้ไปก็คิดไม่ถูกอีกอเขาจะมาคืนเราหรือเปล่าถ้าไม่คืนจะเป็นยังไงถ้าคิดให้ถูกเป็นทานเลย นะแล้วสามารถที่จะหมุนเป็นศีลก็ได้ที่เราเกี่ยวข้องกับทิฏฐ ก, ก็ตามเกี่ยวข้องกับสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราสามารถคิดเป็นศีลได้ในขณะที่นำน้ําบูชาพระเจ้าทําเป็นประจําอย่างนี้เรียกว่าจารีศีล น, นะถ้าเราเกี่ยวข้องกับผู้คนมีการให้เรียกว่าให้มหาทานนะเกี่ยวข้องกับเรื่องศีลแล้วนะ ให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตเขาเกี่ยวข้องกับใครก็ตามคนหรือสัตว์ก็ตามให้ความปลอดภัยแก่เขากับชีวิตเขาไม่เบียดเบียนเขาไม่ให้ห้ายเขานี่เป็นการเจริญศีลแล้วนะเป็นวาลิศีลศีลของคารวะให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินเขา ทรัพย์สินของเขาจงเป็นของเขาอย่าได้มีอันตรายเลยให้ความปลอดภัยแก่ลูกสามีภรรยาเขานี่เป็นมหาทานนะโยมนะกำลังพัฒนาเรื่องทานให้เป็นสินแล้วตกลงเรามือใหม่หรือมือเก่าในโยงมือเก่าแล้วเนาะไม่ใช่นักปฏิบัติมือใหม่อะไรเลยข้อมูลต่างๆนี่พียบแล้วเหลือแต่ ยังไงเอาออกไปเอาออกไปเอาเข้ามาเยอะแล้วนี่เอาออกไปบ้างเอาออกไปบ้างให้มันหมุนในชีวิตเองแล้วในทุกขณะที่คิดถูกทาถูกนี่ยู่ยกตัวอย่างเรื่องทานทุกย่างก้าวที่ไปเป็นปุภายเจตนาทั้งหมดเลยกระแสจิตทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น วิถีจิตต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาน่ะมันเป็นแผงเลยใช่ไหมโยงแผงทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั่นน่ะแผงจิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นมหาภูสลล้วนๆเลยในปุพหะเจตนานั้นซึ่งนางกีสาตะกียังไม่ถึงเลยนะยังไม่ถึงนี่เจดีเลยปุพหะเจตนาสําเร็จหมดแล้วมหาภูสลเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยเธอก็น้องบูชาพระพุทธเจ้าอีก นองดูน้องบูชาพูเจ้าได้อีกเลยทั้งทั้งที่ยังไม่ถึงเลยทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ทำเลยหมายถึงปุบพระเจตนาเออมุนจาดเจตนายังไม่เกิดแต่ปุบพระเจตนาได้เดต็มเตนม่เแล้วุบพเจนาไม่เกิดูุเจ้ายไกด้บพใใระเลยังไมเกีต่ยวบพระงกัุบพเจ้นายั่ดพรเจตนยัง่เกิดต่ปพรเตนายเ่บพะเจนขยะที่เดินไปในขณะที่นมีการประนาม่เิ ในขณะที่มีการไข้ควรไว้ในใจนะเกี่ยวข้องกับใครให้ความปลอดภัยครับเดินสินทั้งห้าข้อครบบริบูรณ์เลยนะให้ความปลอดภัยกับลูกภรรยาสามีให้คำสัตว์คำจริงให้ความสามะคัคคีให้วาจาที่อ่อนหวานให้คำที่มีประโยชน์ ไม่ทำลายสติเขาไม่ให้สิ่งที่มึนเมาทำลายสติเขาหมุนศีลห้าครบเลยการกระทําเป็นประจําทุกวันทุกวันทุกวันนะเรียกว่าจารีศีลขนาดแม้แต่เราอยู่ที่บ้านนะโยมกวาดบ้านถูบ้านล้างจานซักผ้าทําอะไรก็แล้วแต่เป็นจารีศีลหมดนะลองคิดคํานวณดูสิ มันหายไปไหนหมดแล้วบุญพวกนั้นน่ะหกสิบปีเจ็ดสิบปีที่กวาดบ้านมาเนี่ยเคยถูแต่ละครั้งเรานึกถึงพระพุทธเจ้าไหมโยมมันเป็นจารีสีนน่ะจารีสินของเราเนี่ยใครเป็นคนสอนละ่ะพระพุทธเจ้าใครจะมาสอนเราได้มันเป็นวงนะ ของอริยะวงมันเป็นประเพณีของบัณฑิตที่ทำมาถ้าบัณฑิตสมัยก่อนไม่พาถูบ้านป่านนี้ก็ลกไปหมดแล้วขนาดเขาพาทำยังรกเลยกวาดบ้านถูบ้านเนี่ยทุกลมหายใจหรือทุกขณะจิตเป็นมหากรุสอนน่ะทำไมเราปล่อยทิ้งล่ะปล่อยทิ้งไหม หรือทำอยู่ทำอยู่เ น, ะนาเนะนะใช่ไหมมีคนทำอยู่ด้วยนี่แหละโยมชีวิตประจาวันของเราเป็นนักปฏิบตัติเป็นนักปฏิบตัติทำให้มหากูุสลนเกิดขึ้นได้เหมือนที่เราอธิษฐานไว้ตั้งแต่ตื่นนอนว่าจะให้มหากูุสลนดวงนั้นดวงนี้เกิดขึ้นเท่านั้น แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆในกระแสชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นยันหลับนั่นแหละเราต้องเกี่ยวข้องหมดเลยเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องศีลนี่นแหละเป็นคำวมฐานลองค่อยวคุสิถ้าเราทําอย่างนี้เป็นประจำนึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดอ่ะมหากรุส่นเกิดขึ้นก็บูชาพระพุทธเจ้าสิ่งของต่างๆบูชาพระพุทธเจ้าแล้วบูชาได้ทุกวันบ้านน่ะ บ้านรถบริษัทไม่ใช่ของเรากระบูชาไปก่อนเออก็มันได้ด้วยตาของเราเนี่ยแหละที่สร้างมาโยมสร้างมาเองแล้วอย่าบูชาครั้งเดียวอย่าถวายครั้งเดียวเพราะรูปเกิดดับเร็วไหมรูปกับจิตอันไหนเกิดดับเร็วกว่า ออืระจิตนั่นแหละเจตนานั่นแหละเกิดดับเร็วมากก บ, บูชาไปสิร้อยรอบพันรอบหมื่นรอบทุกครั้งที่บูชาได้บุญหรือเปล่าล่ะหรื อ, อยังคิดอยู่ว่าขโมยเขามาบูชานั่นแหละบ้านนะอย่าบูชาครั้งเดียวมันก็เยอะอยู่นั่นแหละกลับไปมันก็เป็นบ้านของเรานั่นแหละก บ, บูชาอีกสิรถก บ, บูชาอีกสิสา ม, มีนะ่ะนะ เป็นเหตุให้กงดนานกัดเครื่องกบูชาสักที่ทุกครั้งที่บูชามันก็ดับไปไอเจตนามันก็ดับไปนี่ไหนอะดวงจิตอยู่ห้องไหนก็ที่เรียนอยู่มันก็เกิดดับเกิดดับไม่ใช่เหรอกบูชาสี่สักร้อยรอบพันรอบก็ได้บุญทุกครั้งนี้เรานึกถึงผู้เจ้าตลอดนั่นแหละเจตนาที่เป็นมหาบุญส่ นั่นแหละคือการปฏิบตัติตกลงมือเก่าหรือมือใหม่ค่ะตอนนี้ <laughs> รู้สึกว่าเก่าไปทุกทีแล้วค่ะก็ <laughs> <laughs> เป็นคำตอบที่ทรงคุณค่ามากนะคะเพราะว่าพวกเราอะ่ะยังยังเจริญในแง่ของทานในแง่ของสีเนี่ยยังไม่ไม่แทงตลอดนะคะอยากจะบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยผู้พูดทำความเข้าใจได้ชัดเจนก็เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาเองนะคะต้องถูกขนาบแล้วขนาบอีกอบลมแล้วอบอบรมอีกจูงใจแล้วจูงใจอีกพาทำแล้วพาทำอีกแล้วก็เกิดปรากฏอย่างชนิดที่ เ, เรียกว่าเต็มกำลังแห่งการปฏิบัติจริงๆก็เมื่อเมื่อเดือนกุมภา มีนาที่ผ่านมานี่เองคะ่ะที่พูดตรงนี้อยากจะบอกพวกเรานะคะว่าเมื่อศึกษาแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าตนเองเข้าใจแต่เมื่อศึกษาแล้วต้องน้อมนาไปใช้จริงๆเพราะในเวลาที่ใช้ในเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยเราจะมีข้อมุมมีแง่มุมมากมายที่มันติดข้องอยู่ในใจเราเช่นบ้านเนี่ยเมื่อถวายไปแล้วจะขายได้ไหม ถามแล้วเหรอถามแล้วค่ะเคยเคยมีคําถามนี้ในในใจคือเวลานําไปใช้แล้วมันมันมันมีแง่มุมที่เราติดขัดพอมันติดขัดแล้วใจมันก็ไม่โปร่งแล้วมันก็ไม่สามารถที่เราจะหมุนชวนะของเราได้เจ้าค่ะที่เราทําอย่างนี้เพราะว่าวัตถุทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆบ้านรถที่ดินอะไรต่างๆแม้แต่ลูก หลานสามีภรรยาหรือตัวเราเองเนี่ยเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดขัดเคืองทั้งนั้นเลยเออคิดเป็นของเราดังนั้นที่เราทําอย่างนี้ที่เราน้อมบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อเรากําลังเจริญทานอย่างหนึ่งแล้วอย่างหนึ่งเพื่อสละประเด็นสําคัญเลยคือต้องการสละความโลภ ความโลภความยึดติดอ่าเราก็เลยสละให้พระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าเป็นนาอ่าเป็นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดนะดังนั้นเราจึงบูชาพระเจ้าผู้รับก็ไม่เป็นเหตุให้ขัดเครืองนะกำจัดโลภะด้วยกําจัดโทสะไปด้วยอ่าแล้วก็รู้เหตุรู้ผลด้วยคราวนี้ยให้อย่างนี้แล้วจะได้อะไร ให้บุตรแล้วจะได้อะไรให้บุตรเนี่ยเพื่อเปื้องตนเองออกจากความเป็นบุตรนะหรือเปื้องสัตว์ออกจากความเป็นบุตรของตัวเองในชาติสุดท้ายถ้าพระพุิศสัตว์ทอาอ่ะของเราก็เปื้องตัวเองออกจากความเป็นบุตรด้วยหรือเปื้องคนอื่นให้ออกจากความเป็นบุตรของเราด้วยในชาติสุดท้ายนา่ถ้าเรารู้เหตุผลอย่างนี้กลาเป็นการเจริญปัญญาอีกนะ ดังนั้นเรากําลังมุ่งเน้นที่จะทําลายอากุศลที่เราทําอย่างนี้นะมุ่งเน้นที่จะทําลายอากุศลทั้งหมดครบวงจรเลยดังนั้น <c oughs> เมื่อเราทําอย่างนี้เป็นประจําเนี่ยนะมันก็กําจัดไปเรื่อยกําจัดกิเลสไปเรื่อยกําจัดกิเลสไปเรื่อยจิตก็ดับไปเรื่อยจิตก็ดับไปเรื่อยวัตถุก็เกิดดับ จิตก็เกิดดับนะการกระทำอย่างนี้เนี่ยผู้มีปัญญาเขาทำนะเสร็จแล้ว <c oughs> เมื่อเราสละไปแล้วเราจะมาใช้ได้ไหมประเด็นอยู่ตรงนี้เนาะเราก็คิดว่าพ อ, เ, อ, อเรา เราจะขอของอเราจะใช้ของเนี่ยที่ที่พ่อเป็นเป็นผู้ดูแลอยู่เนี่ยของของพ่อว่ากันเถอะทุกครั้งที่เราใช้เราก็ขอพ่อใช่ไหมหรือไม่ขอก็ตามพ่อก็ให้เราใช้อยู่แล้วนะถ้าเป็นของของพ่อเราคืนพระพุทธเจ้าไปหมดให้พระพุทธเจ้าไปหมดพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของของทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะพระองค์ทำมา เราก็คืนพระองค์ไปเสร็จแล้วเมื่อจะใช้ก็ขออนุญาตทำให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าอีกนะทุกครั้งที่เราขอใช้เนี่ยก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอีกทุกครั้งเลยทุกรอบเลยขอใช้เพราะว่าเป็นมรดกไงที่เราควรจะได้ใช้เพราะเราก็เป็นหนึ่งในทายาตพระองค์ตั้งทายาทไว้คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา เราเป็นหนึ่งในนั้นเราก็สมควรใช้ทรัพสมบัติของพ่อจึงต้องขออนุญาตในการใช้บริษัทบูชาพุทธเจ้าไปบ้านคอนโดบูชาพุทธเจ้าไปแล้วก็ขอใช้รถแล้วก็ขอใช้เพราะเป็นส่วนที่จำเป็นสำหรับที่ลูกจะต้องใช้ดังนั้นก็ ไม่น่ามีปัญหาขัดเคืองเลยเนาะตรง น, นี้นะ